เราไม่ร i ้โลกเหยียดโคตัวเราตัวเราเห็นได้งได้งเถ้ารไเียกนีเไตัว รับได้แน่นใจและรู้สึกมันใจเลย ก็จะถามพ่อได้เลยนะแมแถ้าแ next มาทีให้การเามขอนะ next มา m ีิเป็นวเป็นก็นวเกอนีเราฝึกให้รับรู้กายใช่ไคือม่ถึสามารถรับรู้อะไรได้หมด ส่วนใหญ่ามารู้เรื่องรอบตัวจะไม่รู้เรื่องตัวเราในหสืมาเรื่องในหนังสือมาเรื่องัสือพูดแต่แค่ในี้น อ, ยอย่างกับมาเรื่องในหนังสือ <c oughs> มีสมาธิอันนั้นก็อีกแบบนะอันนั้นเป็นแค่สัมชาติญาณเฉยๆแต่การที่เรารู้รรตัวของเรเป็นสติปัญฐาเป็นสติการรู้ ชีวิตของเราเรอไหให้รู้ตัวการรู้ง่ายที่สุดแล้วก็หนังสือมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่โตู้บ้าอยู่ในรีพับบ้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เวลาจะไดอ่านมันเองไงหรือโทรศัพท์เงี้ยมันก็อยู่ที่หเลยแล้วเป็นความรู้ที่มันอยู่ตรงนั้นน่ยเป็นความรู้ที่อยู่ตงนั้ถึงอ่านมันการด้วยสมองแต่ว่าพิการที่เราสัมผัสเนี่ย มันไม่เป็นความรู้ในสมองใจเมันเป็นความรู้ในจิตวิางไเวลาเราแา่งกายเมื่อไรไ้ไหมกายกับกาย่อยู่ด้วยกันใมถ้า่าหนังสือหนังสือสดุดีกากับกายไม่ได้อยู่กันกายกับหนังสือเรไอยู่ด้วยกันได้ไหมไได้ ตรงนี้มันสมมติอย่างนะาที่สมมติน่ะอ่านหังสือแข่งที่สมมตินะกลาดูแข่งที่ดูดูดูเย่างนั้นเดินตกครองแนะ่ถนเป็นโคง้งฟากกเรากำหนดตรงเดินตกเปเลยเลยไม่ได้รู้ความจริงวนะ่ามันโคง้งนะเดินตกในหลายรายรู้โทรัได้นะไหมมงไหมแกหาดูในที่แบบเยอะนยะเลยเดินเดินกปกบันไดมี บางทีมัจะดูในเนี้ยในโทรศัพท์ถ้าหล่นบนรถคนไทยขาม่วนเรารรรวิ่งร่อนตกลงมาเสียรถเป้นอกลงมาจากแถวจตุร์เมือาบางทีใจลเราไม่ยู่สิินะเราไม่รู้เลยว่าเนี้ยกำลับเกิกดอะไรขึ้นดูแต่แผนที่ ไม่หมตลอดปอิ่มแข็ที่อะไรเรื่องนะได้ไมเนี่ยความเข้ใจไกาเราไปอยู่ตรงไหนถ้าเป็นสติหรือสมาธิแบบโลกลูกลูไปมันจะเปแน่นแน่นในสิ่งสนั้นไปนแน่นแต่ถ้าเป็นการฝึกสติหารู้สึบตัวไงมันจะรูนอกรูหนรูนอกดูนเรื่วยๆมันจะไวจะวอไวเพรน้ที่เรารู้สึก ต, ปปตัวเชิกให้สติดัวนี้เกิดความห่องไวในการที่มีอาการอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรากระตุ้นรูปหูกระตเสียงอันนี้เป็นแค่ตอนต่อไปนะเดี๋ยวตอนนี้ให้รู้สึกตัวรึเปลแล้วพอมันเกิดเรียกว่ามีสีสันที่อยู่เนี้นนยนะจากการที่รู้แลรนะู้ตัวนี้ย จะอพัฒนาไปรู้น้อัวรู้แล้วก็ไม่เป็นจมไปแช่พอไปไปไหนบอกมุ่นอะไปไปรู้แล้วมบอมุ่นพอจภาษาไทยก็บกมุ่นพอหรือว่าารไม่เฉยเคยมีแฟนที่เแบบโก้ามีแฟน เคยใจไปบอกมุ่นกับแฟนตัวเลือกแม่ไเคยเขาก็ไกเคยเคยลืไม่อำกาบ้านไม่ทำไม่ทการบ้านที่ไปโรงเรียนแล้วก็มีแต่ว่าใจเราไปอยู่กับแฟนก็ต้องการไปเที่ยวรเนเไฟเลี่ยต้องมียกตัวอย่างอย่างี้ยกตัวอย่างนว่า ใจเรามันชอบตรงไหนก็พอใจตรงไหนจะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยตอนที่น่อยู่ที่ใจแวบเปตรงไหนก่อนได้ไหครับครับไม่ถูกไม่เปลีนะ่ยนแล้วต อ, อกก ไ, ไม่ตอบไนะแวบไปไหนก่อนในลณะที่แน่อยู่ที่นั่นนะฮะโซนแฝงแน่นเนี่ยวไปแฝงแล้วแม่รู้วมีแฝงพอรู้ไดวมีแฝตรง้ไม่ใช่แฝงตอนนี้น ก็รู้ก็ไป้ก่อนนามตอนนี้อยู่เ่จับอะรจะเออรวขอบคุบแาไม่แปลแของอาจารย์ถามเมื่อกี้ถามเลยว่าเก่าอเน่เขาเคยมีตัวตัวอยู่นี่ตัวตอนนี้นั่งอยู่นี่เห็นไเป็นปัจจุบันนะแถวเนี้ยไม่มีภาพแต สร้างภาพไดมันมันภาษาอังกเรีกว่าอะไรสร้างภาพด้ว <Congratulations. S 1> ย i a g i a t i o n i m g i t i o n ะครับแปลว่า <c oughs> เวลาเราให้ได้ตั้งใจอ่ะแล้วมันคิดมันเองแบบนี้บ่อยหคิดจะนอนให่หลั ไม่พร้อมใจเลยไปบอกมุ่นเรื่องอะไรมันจะแม้แฝงตัวนั้นเลยไม่เราต้องอะไรเลยมันคือว่านั่นเอกลับมาหาตัวเองไม่ต้องกลับมาหาโทรศัพท์ไม่ต้องกลับมาหาไม่ต้องกลับมาหผู้เย็นของกินอะไรตลอดไม่ต้องกลับมาหาเรื่องคิดว่าเรื่องอะไรดีๆที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขกลับมาหา ก็ามเข้าใจคิดแล้วมันเป็นคิดแล้วดีคิดแล้วดีกิจาคนคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเรียแต่ถ้าตั้งใจคิดเนี่ยแค่เวลาเวลาทำงานหรือตั้งใจคิดแค่นั้นพอแค่นั้นเร่มันเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทาต้องรผิดชอบอันนี้ถือว่าให้การแงบการเรียนที่ถเรื่งเรียนให้การแง มีแฟนคิดถึงแนให้คะแนนกแต่ต้องแบ่งเวลาให้ดูดูแลนอนต้งนอนเล่อตื่นมีหน้าที่อะไรก็ต้องแบ่งดูแลกินก็ต้องกินดูลาหลอาบน้ำก็ตาาาาา้องอารน้ำใชไหมโอย้ยหนาวเนี่ยมันก็ต้องหาบาน้ำบูนจะได้ไม่นหนาวก็มีปัญญาเหมนัถ้าเราเจตนาคิด ปัญหาอย่เราบิดจองกันเที่เราสวดแกเราสดเพื่อที่ให้ใจราอยู่ในตัวไปไหนใจอยู่ในตัวแต่ถ้าเราชอบสิ่นใจเราจะมีอยู่กับสิ่งนัจิงไจริงไหมจิไหมที่พูดกับพูดกับทุกนเลยไม่ได้พูดกับไหเูกักน ไม่ต้องฝึกให้ใจเราอยู่กับเนื้อหลับตัวภาษาที้เรีามีสงเกตคนที่จะมีสังคือใจไม่อยู่กับเนื้อหลับตัวอตรงนี้ก่อนแล้วเราฝึดเนี่ยแต่อยู่แม่ยอมนะเรากระโูดแม่ยอมเต่รู้สึกอยู่เอ๊ะรู้สึกอยู่มายอมอยู่แล้วเนื้ตัวแปบเดียวอะไรนี่ไ่เป็าอยากไปนั่นไปเด็กในรุ่นหาของที่น่าอร่อยอยากไปพักก่อนอยากไปเรีรู้การทำที่ชอบที่ชอบอยากไปเรียโรู้ระส์อยาไป เล่นอินเทอร์เน็ตอยากไปดู youtube อยากไปดูไลน์ดูหนังกิจกรรมอะไรเยอะแยะหมดนันน้นนั้นคือใจมันไปอยู่กัสบกนนสิ่งที่ชอบพอใจแก่พอใจแล้วอันนี้ไม่ได้เสิ่ที่ชอบหรือไม่ชอบแต่ต้องอยู่กับมันจน ต, ตายร่างกายเราที่เราได้มาชอบหรือไม่ชอ บ, ออบคุณก็ต้องอยู่ประมั น, แบบแนจนตายคิดไหมที่นี้ไหมเราก็ต้องอยู่ประมันี้ตั้งแต่วันนี้จนจะท่งตาย เวลาเราจะอยู่ยังไงก็ยอมรับความจริงอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่บนต้นเอ ง, แ ล, อ ง, ลเองแล้วออยอมรับตัวเองส่วนใหญ่เราชอบตม่นปื่นมรับกับแต่เราไม่เคยยอมรับตัวเรากไหมเราจะทังไ เ, เราต้องปึกให้เรายอมรับตัวเรายอมรับเนี่ย น, นะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมนะรู้สึกถ้าคราธรรมชาติ ปฏัตพูดสุดไปหรือสุดไปไมไ่ได้รับตอไม่ใช่คนอื่นนบอกราเองต้องตอเตอนนี้อยู่ที่นี่อยางนี้ใจเราปกติ ใ, ใจเราเปลี่นปกติเราต้องอา่านตัวเองให้ออกบอกเลยนะแต่ว่าเวลาเปลี่ยนปกติเราต้องทำไงให้พ่อมาคอยช่วยให้แม่มาคอยช่วยเวลาเปลีปกติไม่ไหวไม่สบายใจเรต้องไปเบี่ยงสที่เรารักปริ เคไม่เครับปล่อยไหมยืมแสดงว่าปล่อยเด้แม่รู้จะได้ไม่เบียวถึงเบียดก็เบียดน้อยเหียดแมาก็ทำให้เกิดเบียว่าทำให้เบอร์ตื่ก็เป็นทุกข์เราทุกข์ในคออย่งเบียดแต่กระไ้ไม่ฟ้าร้องเยใส่ยมเอ้ยต้องฝึกเนี่ยตอนในตึกนิ้เราไม่มีท่าอะไรเล นั่เดี๋ยวว่าตุงแก่ไปที่นี่เปนแบ้นเริ่มต้นในพูดที่รู้สึกัวภาษาไทยรู้สึกัวที่นี่พงก็ไปบอกน้ว่ามีสติรู้กายนะความรู้กายอยรู้เวทนาเวทนาหืออาการต่างๆที่มันมีที่กายที่ใจที่สอนเปนแบบแค่กว้านะสอนกป็นแบบโห มันเรื่อคนอยู่วัดอยู่วานตี่ปีวัแขนแทนอันนี่คือเรื่องความิเมื่ออยูกัใครก็ต้องสอนเรื่องที่สอนเรื่องนี้อะยิงไม่ได้สอนแนะนํามันเเ็นดีเอาลา็ดีแ่นี้ก็เรื่องนี้นง็ฟั อ, อะไรก็ไรู้สึกตัวใหมเ่นียคือัวจะไม่อดีะไนี่ยสติสติคือ การรลึรู้ภาษาบาลีและสตภาษาไทายคือรลอรู้ภาษ า, าอังกฤษว่ารลึกรูโลโลโ้เราถามผู้รู้หรผู้รู้อยู่ น, นี่นี่ถามคุณหมองครงสัตเราอเรียนชื่อแก่าอาจารย์นเตอร์ไปแพทย์โครงสัตวันไปดีไปดีไปดีีอยู่ <laughs> Micro awareness. Micro. m i awareness. Two two types. m i r e n e and f e l awareness. Then a n d e r g e t h a a e s e r e o t l f a i w i o a e r e o n g t a e r e n o a n o e r e g l b e r e o g t เออตัวเนี้ยเวลาเดินรู้เดินไหยเวลาแม่เวลาท า, านข้าวรู้วานข้าวไนหะเวลานอนรูวนอนไหมวาไม่ว า, ออา ม, มือยังไงเนี่ยก็ตบตบ้องจะรู้เมื่อรู้อเนี้ยเราจะคลองคลองชีวิตของเราครองตายคองตายไปม่งั้นมันทำให้นะเราทนะุ น, นนะหิวข้าวทาให้ทุกขน่ได้ เดี่ยวข้าวเคยโมโหไหมโหอีกต้เคยไหมยัดแน่เวลาไม่ได้หลังใจต้องหุ้นต้องเดี๋ยวนี้แล้วแล้วแล้วมันไม่คึมันไม่หาวทไงดีมันอีกชุดเจ้าบงสองเจ้างต้องรอคอยมางีเรคอยไม่ด้เดียวนี้บอกให้มาเดียวนี้ใส่ไบบรู้สึกไม่ทันใจ แล้วเราก็อาศัยความรู้สึกัวนั้ตัวทวนะอกนั้นทาให้เราไม่ฟุ้งไม่เป็นคนกล้าวนะครับก็แก้ว่าก้าวลาะไรก็แคได้กล้าแต่ในไม่ใหญ่ระภาษาใช้ยากดีกเอาอันดับแรกที่เดีย ว, วดีว ไ, ดาสาไดลไส์นะสุภาพซึกตัวเลยมันเป็นวิชารองับมันเป็นวิชาเรื่อย วิชาบาง้ามที่เราเรียนได้ไหมวิชาที่เราบางข้าไปเรียนได้ไหแล้วิชาที่เราเลือกเรียนไหแต่วิชานมีาเลือกเป็นวิชาของข้มันั้นบาามอะไรอาเรที่มือรู้ตัวใครไม่รู้เรื่องนี้แชี้ดสรปล่าต่อให้เรียนจบต่อให้มีเงินที่เลืหรือไม่กูแต่ถ้ามีตัวนี้มันไม่มีเงินไม่มีความรู้เยอะก็มีความสุขได้แต่ถ้ามันมีตัวนี้มันจะมีเงินและมีความสุขเกิ เออก็แปเรียไงไปที่ไหนก็นดตัวหน่วมหรืออใครที่มาใหม่บเนี่ยอะโนแอลปยัการใช้นี่ขวาก็ได้เออขวาอะจะได้เกสารคนเนี่ยคบอกว่าต้อง่กือสีคุณบอกเคยทำแบบนี้ไหมใช่ครับเพราะอ่างนันไม่ต่อแบบเก่ายเก่าเก่าลยอะเอกสาคนเนี่ยเคยทำแนี้ไหมเคยทำแบบนี้ไห เออไเคยนีม่นี่เคยบ้าเาเจได้่มีชีวิตนาเราไปไทยไดสร้างให้มีสติานได้ยอยเาเ็ดจิตะสร้างให้มีสติน้ก็ตัวสติ ก็ม in ีจิตมีสติก็มีก็อีตัวจิตอะไรคือตัวสติเราจะจดวจแตัวสติจิตมีสติปกติจิตไม่มีติก็หลงอย่างเดียวเลยหลงรูปหลรถหลงเสียงหลงงหลแปรปรนาคนปรโยชน์ใวันีไปในจิตก็นีไม่พอใจปัญหาเก่าๆที่เราแก้ไม่ได้มีความทุกเก่าๆที่แลวยังค้าขายอยู่ในใจใครีอะหรือที่เป็นนาคกังวลวิตก นี่คือจิตใช่ไหมนะที่เห็นได้เห็นนะลอเอาเอาเงินมาไปทบที่นี่ก็ิคือมันเคยรู้ตรงไหนจิก็อยู่ตรงนั้นแหละที่เาใช้ให้อยู่ในกจกที่แตกต่างกันก็ถามว่าสร้างขึ้นมาอยู่ดิ้งน้ที่ดิใจส่เอ่อถ้าฝึกจนชำนาถ้าฝึกจดชำนาญมันจะรู้ที่อยู่อเหมือนกับเรารู้อะ สลานี้อุ่นสลานี้อุ <consol ation> <Typically. S 1> ่นแบบอุ่นแบบากอุ่นแแต่ข้างนอกแบยข้างนอกตอนนี้ตีนสายเลประมาณอาจจะตีนลแล้วลงโดยเนี่ยตีนลบอย่างแต่ดานัหน้าก็นี่หยสารเส่ยเรลบสองครับลบสอ ก็ทดสอบแต่ในนี้ยถ้าเป็นใจเราเลื่อนอยู่เราได้อยู่แล้วกดสอบก็อยู่ที่นี่ไะแล้วถ้าจิตเราอบอุ่นแล้วนะเราสุน้าใจเราเป็นปกติแล้วอบอุ่นเราจะรู้สึกอบอุ่นในใจเราคาว่าอบอุ่นไหมายถึงว่าเราอยู่คนเดียวได้ใช้ชีวิตองเรียกง่ายอยู่คนเดียวได้เราก็จะเลื่ออยู่ตรงที้เรียกง่ายเราอบอุ่นเราอยู่คนเดียวได้เราเหมาะ เรียนหมอจะทำหน้าที่ของที่จะไม่รู้ว่หน้าที่อะไรก็ไปทำจิตนั้นโอ้โหปวดแต่ถ้าจิตมันว้าเวทนะมันหนาวนะมนำอะไรไม่ไดนะ้มันไม่มีแรงนะไปน้ำหนาวไม่เลยไม่มีแรงทนำะาลยเดี๋ยวมือชาหรอปวดเลโดนเวลาละมือสาอบเก็บเจ็บค่พอฟับได้ก็เข้าใจนะเังนะั้นการที่เรามีสติแล้วเจ้าอกชีวิตเจ้าอกปดจะรู้สึกเองเลยเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาช่วยหรอ ก็รื่อเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้ใจเราพึ่งใจเราเองได้แต่ถ้าใจเรามันพร่องนะมันพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องการในอื่นมาเติ ม, ม, มเต็มได้หมดแอะๆมาเติมเต็มเรียกพ่อเรียบป๋าพ่อมา เ, เติมเต็มต้องการมีการเห้การเติมเต็มต้นานมีเพื่อนเพื่อนเติมเต็มมือต้องทัดใจผูเองนะต้องทัดใจผ้า คุณต้องมาใจชัน้าใจผมแต่ผมไม่ก้าใจใครเลยนะอะไรนไม่ไหแต่ถ้าเรามีสตินะเรารู้สึกแล้วเรา้าใจโ้าใจทุกคนดดีไหมดีไหมเขาไม่เป็นองรักเาแต่เราจะรกักเดีไหมเขาปวดเาแต่เราไมา่ปวดเขาดีไอ้ส่วนสติตัวนี้เป็นตัว ค, คึณกรทเลยครับขี้เกียจโฆษณาท่าทกอนไปมนก็ถา้ ยี่หมดเวลาแล้วนะคิกเหมือนดต้รู้สึกตัวถามพ่ อ, ไ อ, ไาอถามไม่ก่อนเอถามาไามนก่อนรู้สึกไหมรูม้สึกเลยเแ็กเจียเราเข้าไปนี่นีดด่ถาให้ใหรู้สามคนครับพี่ปืนขวาต้านปืนขวานีน่ยไรแอนโมเกระไร รู้สึกไหมรู้ไรู้ตัวอยู่ไหมเมื่อเบอรอยู่อย่างนี้รู้ไหมมาเคลื่อนมาที่สะดือรู้ไหงรู้ว่ามืออยู่อย่งถายแล้วรู้สึกได้ซ้ายพี่รู้สึกหเยอไหมรู้สึกว่าไม่ได้คิดอะไรจะไหยและไม่มีความคิดด้วยจะไหมรู้สึกอย่างนี้หัวโล่งๆไหมอะไรมืป่าด้วยไห ออกแบบแลปลงควะกลับลงซ้ายดีไหมออกแบบแลปลงแวะกลับลงทำเองนี่าำทาร <ừ. S 1> เวลาอยู่คนเดียวเองฝึกทำเองทำให้เผ็นทำเป็นแล้วมีประโยชน์ท ำ, น ท, ำนทำเป็น้ะแต่ทำไม้เป็นต้องฝึกจนกว่าจะทาเป็นทํายังเป็นุดกจนกว่าจะทำ ทำไม่รู้นะครยังทำใหกรู้กทํามๆๆไปก่อนของเราหรืออะไรประมาณสี่สิบนาทีของทางน้ไทยก็ติดจออนี้ก็แล้วเหือยู่สิบสนะองคนนั่นะี่ี่ยังอยู่สิบสองคนสิบสองจอ พี่อยู่เมืองไทยก็อยู่เป็นเพื่อนสวัสดีครับ ทิ้งไปเลยทิ้งเลยคำว่าทไปเลยเปที่ปฏิบัติแล้เก่อทิ้งไปเลแล้วก็เริ่มหมาความว่นใต้อความที่เขาตัเข้าปมี่นทีง้างนะยกไปแจังรอเดียยวและจัแต่อรกนะอันนี้เป็นรูปแบบรูปแบบในการปฏิบัติที่เฉยมันี้ที่มาที่ไปนะที่เห็นอธิบายตอนหเวลาหมดเวลาเราเหลืออยู่ตอน จาการพ้นันแล้วสุดักที่ลายอกัแล้วเนียเรารู้สึกความไห่ติดกอลงมาเลยก็ต้องกลับรวมกลุก็ต้องกับรวมลุตัวรู้ตัวเนี่ยเกี่ยวกับน ไม่รู้เท่ารู้แันรู้าความเป็นจริงรด้ในปัจจุบันการรู้ในการสัมผัสไปได้คิดเอาสัมผัสแล้วรู้สึกภาษาบาลีสกปนภาษาไทยแลร้รู้ภาษาเกณฑ์ว้นี้อยี่ของาษาหง